รองศาสตราจารย์สุภัทราโกศัยญการน์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ น, นครเปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ น, นครกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกประจำปีการศึกษา2562ตั้งแต่บัดนี้ถึง21พฤศจา ค, คม2562โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาจำนวน3คณะ ได้แก่คณะเทคโนโลยีข้ารรมกรศาสตร์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและสิ่งทอสาขาวิชาอาหารและโภชนาการสาขาวิชาธุรกิจอาหารสาขาวิชาการบริหารธุรกิจข้ารรมกรศาสตร์คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการเงินสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนอกจากนี้ยังเปิดรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ดุสรีบัณดิตสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนผู้สนใจสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์ w w w r m u t p a c t h หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแรนแครโทร026653777ต่อ 6304-9 นันทนาสีมาวิทยุราชมงคลแรญนครรายงาน อ, อยอเผยมีผู้แจ้งครอบครองกัญชา226รายโทรสอบถามมากกว่า 7,000 รายนายแพทย์ททเรศกลัดในระวิวงศ์เลขานิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าตามที่สำนัก ง, งานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอได้เปิดบริการให้สอบถามข้อสองสัยเกี่ยวกับกัญชาภายหลังจากที่ประกาศกระทรวงสาธารณาสุขที่เกี่ยวกับการนิรโทษและการครอบครองกัญชาจำนวน3ฉบับได้มีผลบังคับใช้ ซึ่งในสัปดาห์นี้มีผู้โทรเข้ามาสอบถามที่ อ, อยอโดยสอบถามเข้ามายังช่องทางสายด่วน อ, อยหน5่งห้านวน892รายหมายเลขโทรศัพท์ของกองควบคุมวัตถุเสพติด อ, อยหกสรายและที่เคาน์เตอร์เซวิชห้ารายสําหรับคําถามที่พบส่วนใหญ่ยังคงสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการปลูกรายละเอียดของการนิรโทษการนําเข้าการส่งออกมีผู้ป่วยมาแจ้งครอบครองกัญชาจํานวน174รายและผู้ประกอบวิชาชีพ1ราย สำหรับตัวเลขสะสมต่างๆวันที่เริ่มมีการเปิดรับแจ้ง27กุมภาพันธ์สองพจนถึงปัจจุบันมีผู้โทรสอบถามเรื่องกัญชาเข้ามาที่ออยจำนวน 7,411 รายและแจ้งครอบครองกัญชาแล้ว526รย้ยยายอยขอเน้นย้ำว่าการรับแจ้งครอบครองกัญชาดังกล่าวเป็นการแจ้งเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ครอบครองกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์หรือการใช้รักษาโรคเท่านั้นไม่ใช่การอนุญาตให้ปลูกจําหน่ายหรือดําเนิน